สำหรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com ค่ะกับเรื่องชีวิตยโคยคีวันนี้มาถึงตอนที่18แล้วค่ะจากเรื่องจริงนะคะของท่านปรมาหังษายโยคานันทะที่ท่านเขียนไว้ในหนังสืออัตตาชีวประวัติของโยคยีเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ เป็นการเขียนเรื่องโยคีโดโยคีแล้วก็เป็นโยคีที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในอินเดียแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะคะมีลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือท่านมากมายวันนี้เป็นตอนที่18แค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจจะเป็นตอนที่ท่านปรมาหังสายโยคานันทะซึ่ง ดิฉันจะเรียกท่านว่าท่านโยคานันทะก็แล้วกันนะคะท่านได้ไปสนทนากับแม่ครูแม่ครูเนี่ยเป็นภรรยาของท่านลาฮิริมหัศยะซึ่งเป็นครุของครุของท่านอีกทีนึงคือเป็นครูของครูแล้วก็ถือเป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่มากท่านหนึ่งของอินเดียท่านโยคานันทะนะคะได้มีโอกาสไปสนทนากับภรรยา ของท่านลาฮิริมหัสยะซึ่งน่าสนใจมากนี่คือวิทยุไทย PBS นะคะ w w w บ t thaipbsradio o com เอาละถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะกับตอนที่18ชีวิตโยคียค่ะ วันหนึ่งท่านโยคานันทะมีโอกาสแวะมาที่เมืองพารณสีท่านจึงแวะไปกราบท่านศีมาตีกาสีโมนีท่านสีมาตีกาสีโมนีเป็นคู่ชีวิตของท่านลายฮิริมหัศยาค่ะท่านพักอยู่ที่บ้านของตระกูลลายฮิริที่ย่าน ครุเทสวนโมหุลาของเมืองพารณสีท่านสูงวัยแล้วนะคะแต่ยังคงงดงามเรียกว่าเป็นสตรีที่งามตามวัยรูปร่างปานกลางผิวผ่องลำคอระหงดวงตาโตเป็นประกายสุขใสแม่ครูขอรับ สมัยที่ยังเป็นทารกกระผมเคยได้รับการประสาทพรจากสามีผู้มีปัญญายาณอย่างรู้ของคุณแม่ท่านเป็นครุของพ่อแม่กระผมและของท่านอาจารย์สรียุกเตสวนผู้เป็นครุของตัวกระผมเองแม่ครูพอจา ก, กรุณาเล่าเรื่องราวชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่ให้กระผมฟังเป็นบุญหูสักสองสเรื่องได้ไหมขอรับลูกเอ๋ยที่นี่ยินดีต้อนรับเจ้ามาขึ้นมาข้างบนกัน แม่ครูกาสีโมนีพาท่านโยคานันทะไปที่ห้องเล็กๆห้องหนึ่งเป็นห้องที่เล็กเอามากๆและครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องที่ท่านใช้อยู่ร่วมกับสามีเขาพระเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐเลิศล้ำอุตส่าห์ลดตัวลงมาเล่นบทชีวิตคู่เยี่ยงมนุษย์สามัญทั่วๆไปแม่ครูพายมือเป็นเชิงเชื้อเชิญ ให้ข้าพเจ้านั่งลงบนเบาะข้างๆท่านแม่ต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวกว่าที่จะรู้ถึงภูมิธรรมอันสูงส่งของสามีตัวเองแล้วท่านก็เล่าเรื่องว่าคืนหนึ่งภายในห้องห้องนี้ท่านนอนหลับฝันไปท่านฝันเห็นเหล่าเทพยดาผู้มีรัศมีอันรุ่งโรดเหาะเหินอยู่เหนือตัวท่านเป็นภาคที่งาม จนเกิดจะคาดคิดภาพฝันนั้นมีความเหมือนจริงจนท่านสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีห้องทั้งห้องสว่างสวยัยไปด้วยแสงอันเจิดจ้าแล้วท่านก็เห็นสามีของท่านนั่งขัดสมาธิเพชรลอยอยู่กลางอากาศกลางห้องท่ามกลางวงล้อมของเหล่าเทพพยาดาเหล่าเทพพยาดาประนมมือสาการะท่านเหมือนกับว่าท่านสูงส่งกว่า แม่ครูกาศีโมนีประหลาดใจมากคิดว่าตัวเองฝันไปแต่ท่านลาฮิริมหัศยะสามีกล่าวต่อท่านในในขณะนั้นว่าพัคทนีเจ้าไม่ได้ฝันไปดอกจงตื่นเสียจากการหลับไหลให้ได้ตลอดกาลและชั่วนิรันดร์และแล้วร่างของท่านลาฮิริก็ค่อยๆลอยต่ำลงมาจนถึงพื้น โดยมีภรรยามอบกราบลงที่แทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าขาอีชันขอกราบท่านเป็นร้อยครั้งผันครั้งขอได้โปรดยกโทษให้อีชั้นที่เหิมเกริมคิดเอาว่าท่านเป็นสามีของตัวเองสักครั้งจะได้ไหมเจ้าค่ะอีฉันอยากจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปอีฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินที่ตัวเองเอาตหลับไหลยอยู่ในอวิชชา ทั้งๆที่ผู้ที่อยู่ข้างกายเป็นผู้ตื่นรู้แล้วแท้ๆนับจากคืนนี้เป็นต้นไปท่านไม่ใช่สามีของอีชั้นแล้วแต่ท่านเป็นคู่รุกของอีชัน้นท่านจะกรุณารับคนต่ำต้อยด้อยค่าอย่างอีชั้นเป็นสิทธิ์ได้ไหมเจ้าคะท่านลาฮิริประคองแม่ครูกาสีโมนีอย่างอ่อนโยน แล้วก็กล่าวว่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์จงลุกขึ้นเถิดเรารับเจ้าไว้แล้วจงคารวะตอบต่อเทพทั้งหลายเถิดท่านพายมือไปทางเหล่าเทพพยายดาเมื่อแม่ครูคารวะท่านทั้งหลายด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทพยาดาทั้งหลายก็พากันเป่งเสียงขึ้นอย่างพร้อมเพรียงดูเสียงประสานในพระคัมพีโบราณกระนั้นศักดิ์ศรของท่านผู้เป็นอนุแห่งพระเป็นเจ้าขอพร อ, อันประเสริฐจงบังเกิดแก่ท่านพวกเราขอคารวะท่านเหล่านั้นก้มลงคารวะแม่ครูแทบเท้าแล้วร่างอันเรืองรองก็พันหายวับไปห้องทางห้องเหลือแต่ความมืดมิด จากนั้นท่านลาฮิริกก็ถามแม่ครูผู้เป็นภรรยาว่าพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดกริยาโยคะจากท่านเลยหรือไม่พร้อมเจ้าค่ะอิฉันมีแต่จะเสียใจที่ไม่มีบุญวาสนาได้รับการถ่ายทอดกริยาโยคะเร็วกว่านี้ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลากรรมเก่าของเจ้ามีอยู่มิใช่น้อยที่เราช่วยลบล้างให้โดยไม่เคยบอกให้เจ้าได้รู้ เวลานี้เจ้าเต็มใจและพร้อมสำหรับการนี้แล้วจากนั้นท่านก็แตะหน้าผากแล้วพลันบังเกิดพลายแสงระยิบระยับหมุนคว้างเป็นวงแล้วค่อยๆรวมกันเข้าเป็นรูปตาทำรรสีฟ้าเหลือมีสีทองล้อมเป็นกรอบอยู่รอบนอกตรงกึ่งกลางเป็นดาวห้าแฉกสีขาวพรางพลายจงเพ่งจิตสำนึกของเจ้า ผ่านดวงดาวเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเป็นเจ้าแม่ครูบอกว่าท่านเห็นภาพนิมิตภาพแล้วภาพเล่าที่ซัดเข้ามาสู่วิญญาณของท่านเหมือนระลอกคลื่นในมหาสมุทรสุดท้ายภาพที่รายล้อมอยู่รอบกายก็หลอมละลายกลายเป็นทะเลแห่งปิติสุข ท่านดื่มดำอยู่กับปิติจากพระพรแห่งพระเป็นเจ้าหลายชั่วโมงจากนั้นจิตของท่านก็ถอยกลับมาสู่โลกถึงตอนนั้นท่านคุรุก็ได้ถ่ายทอดวิชากริยาโยคะให้กับท่านและนับจากคืนนั้นท่านลาฮิริมหัสยะก็ไม่เคยนอนร่วมห้องกับท่านอีกเลยและไม่เคยนอนหลับพักผ่อนอีกเลย ท่านอยู่แต่ในห้องชั้นล่างทางด้านหน้าในถ้ำกลางเหล่าสานุสิ์ของท่านทั้งกลางวันและกลางคืน <S <S เล่ามาถึงตอนนี้ท่านก็เงียบไปเพราะระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาของท่านกับท่านโยคีผู้สูงส่งสุดท้ายข้าพเจ้าจึงทำใจกล้า ขอให้ท่านเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังอีกลูกเอ๋ยเจ้าฉันอยากรู้อยากเห็นเสียจริงแต่เอาเถอะแม่จะเล่าให้เจ้าฟังอีกสักเรื่องก็ได้แม่จะสารภาพบาปที่ตนเองเคยกระทำเรื่องไม่สมควร ต่อท่านสามีผู้เป็นครุของแม่ด้วยหลังท่านรับแม่เป็นศิษย์ได้ไม่กี่เดือนแม่ก็เริ่มว้าเวยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งเช้าวันหนึ่งท่าลาหิริมหัสยะเข้ามาเอาของในห้องเล็กๆห้องนี้แม่จึงรีบตามท่านเข้ามาเพราะถูกความหลงผิดเข้าครอบงำแม่จึงตัดพ้อต่อว่าท่านอย่างรุนแรงมีเวลาเท่าไหร่ ก็เอาไปทุ่มให้ลูกศิษย์ลูกหาหมดแล้วความรับผิดชอบที่มีต่อลูกเมียเล่าอิฉันละเสียใจจริงๆที่ท่านไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนคิดจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวให้มากกว่านี้ท่านครุมองแม่นิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วร่างท่านก็หายวับไปจากสายตาทัานทีแม่ตกใจกรบจนตัวสัน่นจากนั้นก็มีเสียงของท่านออกมาจากรอบด้าน ทั้งหมดนี้คือความว่างเปล่าเจ้ามีเห็นหรืออย่างไรแล้วตัวเราที่เป็นเพียงความว่างเปล่าจะไปหาทรัพย์สินเงินทองจากที่ไหนมาให้เจ้าได้ข้าแต่ท่านผู้เป็นครุอีชั้นกราบขออภัยท่านสักล้านครั้งตาอีชั้นมันบาปหนามืดบอดจนไม่สามารถมองเห็นท่านได้อีกขอได้โปรดปรากฏร่างศักดิ์สิทธิ์ให้อีชั้นเห็นด้วยเถิดเจ้าค่ะ เราอยู่ที่นี่คำตอบนั้นดังมาจากเหนือหัวแม่แงนหน้ามองขึ้นไปก็เห็นร่างท่านปรากฏขึ้นกลางอากาศศีรษะแตะกับเพดานห้องดวงตาท่านเป็นประกายเจิดจ้าประดุดเปลวไฟที่ลุกโชนแม่กลัวจนไม่รู้จะกลัวอย่างไรได้แต่มอบคู่สะอึกสะอื้นอยู่ที่แทบเท้าท่านหลังจากที่ร่างท่านลอยลงมาถึงพื้น จากนั้นท่านลาฮิริก็กล่าวกับภรรยาว่าพัินีสิ่งที่เจ้าพึงสแสวงหาคือที่พยะสมบัติหาใช่เงินทองอันมีค่าเพียงเศษเสี้ยวทุลีดินไม่เมื่อได้มาซึ่งทรัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายนอกก็ย่อมจะตามติดมาเองสิทธคนหนึ่งของเราจะมาช่วยเหลือดูแลเรื่องการอยู่การกินให้กับเจ้าเอง ปรากฏว่าจากนั้นนะคะก็มีสิทธิผู้หนึ่งมอบเงินให้กับครอบครัวคือมอบเงินให้กับแม่ครูเอาไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวเนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยเลยคือเป็นไปตามนั้นนี่คือเรื่องราวจากแม่ครูกาสีโมนีซึ่งเป็นภรรยาของท่านลายฮิริมหายยะท่านโยคานันทะก็ขอบคุณแม่ครูกาศีโมนีที่ท่านยอมเล่าประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ให้ฟัง แม่ครูกาศีโมนีเสียชีวิตลงที่พาราสีเมื่อวันที่25มีนาคมปีคริสตศักราช1930ค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะท่านอยู่คานันทะก็มีโอกาสได้ย้อนกลับไปที่บ้านของท่านลายฮิริอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้สนทนา กับบุตรชายของท่านลาฮิริคือท่านตินคอรีและท่านดูคอรีลูกชายทั้งสองของท่านลาฮิริมหัศยะเจริญรอยตามแบบอย่างอันดีงามของบิดาแทบจะไม่มีที่ผิดเพี้ยนค่ะทั้งสองมีผิวขาวร่างสูงใหญ่แข็งแรงมีหนวดคราวดกหนา้าน้ำเสียงทุม้มนุ่มนวลมีกิริยามารยาทเพียรพร้อมอย่างที่คนในยุคสมัยก่อนเป็นกัน สสตรีของท่านลาหิริมหัสยะไม่ได้มีเฉพาะแค่ภรรยาของท่านเองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีอื่นมีคนอื่นๆ อ, อ, อีกเป็นร้อยเป็นพันรวมถึงแม่ของท่านโยคานันทะด้วยครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปกราบขอภาพถ่ายของท่านท่านลาฮิริเนี่ยนะคะท่านก็ยื่นให้ใบหนึ่งแล้วก็บอกว่า หากเจ้าถือว่าภาพถ่ายของเราเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภยัยมันก็จะคอยปกปักรักษาเจ้าหาไม่แล้วมันก็เป็นได้แค่ภาพถ่ายภาพหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะขณะที่สตรีผู้นั้นกับลูกสะั้ยของท่านครุกำลังนั่งอ่านคำภีพระกวัตคีตาอยู่ที่โต๊ะก็มีอั คือตอนนั้นได้มีภาพถ่ายของของท่านเนี่ยแขวนอยู่บนผนังทางด้านหลังก็บังเกิดมีพายุฟ้าขนองอย่างรุนแรงผู้หญิงคนนั้นก็ก้มตัวลงกราบภาพถ่ายของท่านลาฮิริแล้วก็บอกว่าท่านลาฮิริมหัศยะได้โปรดคุ้มครองพวกเราด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้วก็ก้มกราบภาพถ่ายของท่านท่านใดนั้นค่ะก็มีฟ้าผ่าผ่าเปรี้ยงลงมาที่โต๊ะหนังสือ แต่ว่าทั้งสองคนกลับไม่ได้รับอันต ร, รายแต่อย่างใดลูกศิษย์ผู้หญิงคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกเหมือนมีแผ่นน้ำแข็งมาหุ้มอยู่รอบตัวคอยป้องกันความร้อนขนาดที่คือมันเป็นความร้อนขนาดที่สามารถจะเผาทุกอย่างให้ไหมเกรียมได้คือนนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์นะคะที่ลูกศิษย์ได้เจอที่ทาให รอดพ้นจากการถูกฟ้าผ่านอกจากนี้ยังมีปาฏิหาริย์ที่เกิดแก่ลูกศิษย์ผู้หญิงชื่ออโพยาอีกสองครั้งนะคะนั่นก็คือวันหนึ่งอโพยาอยู่กับสามีที่เป็นธนาอยู่ที่กาลกากัตาทั้งคู่ตั้งใจจะเดินทางมากราบคารวะท่านครุที่พาราณสีแต่ว่ารถติดมาก กว่าที่รถม้าจะพาทั้งคู่มาถึงสถานีรถไฟฮาวราขบวนรถไฟไปพาราณสีก็เปิดบูรสัญญาณพร้อมเคลื่อนขบวนออกจากสถานีอภพยที่จวนจะมาถึงห้องขายตั๋วอยู่แล้วหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ตั้งจิตสวดอ้อนวอนบอกว่า ท่านอาจารย์ลาฮิริมหัศยาเจ้าคะลูกกราบไหว้วิงวอนขอได้โปรดหยุดขบวนรถไปพาราณสีไว้ด้วยเถิดเจ้าคะ่ะถ้าต้องรออีกวันถึงจะได้พบท่านลูกคงเจ็บปวดใจจนสุดจะทนได้ปรากฏว่าตัวรถไฟหยุดจริงๆคือหลังจากที่วิ่งไปได้แป๊บหนึ่งรถก็หยุดนิ่งหลงในช่างกับผู้โดยสาร ก็ลงมายืนมุงดูปรากฏการณ์ประหลาดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยาประจำรางรถไฟชาวอังกฤษนะคะก็เดินมาหาอาโพยากับสามีแล้วก็กุลีกุจอเสนอบริการให้อย่างผิดปกติคุณครับเอาเงินมาสิครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อตั๋วให้ส่วนพวกคุณก็ขึ้นไปนั่งรอบนรถได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาหลังจากทั้งคู่ขึ้นไปหาที่นั่ง แล้วก็ได้ตัวรถไฟมาถือไว้ในมือเรียบร้อยแล้วขบวนรถก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆทาเอาวิศวกรกับผู้โดยสารคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยตกใจแล้วก็พาการตะลีตลานปีนกลับขึ้นไปบนรถอีกครั้งทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่ารถเนี่ยเคลื่อนไปได้อย่างไรหรือไม่รู้เลยเช่นกันนะคะว่าทำไมมันถึงหยุดอยู่กับที่ในตอนแรกพอถึงอาสมที่พาราณสี อโพยาก็ก้มลงหมอบกราบท่านเงียบๆแล้วก็ยื่นมือออกไปหมายจะจับเท้าท่านท่านครูก็ดุบอกว่ามีสติหน่อยอภพยเจ้านี่มันชอบหาเรื่องกวนเราอยู่เรื่อยทำราวกับว่าถ้ารอขบวนรถถัดไปแล้วมันจะมาไม่ถึงที่นี่อย่างนั้นแหละ อภยามากราบเยี่ยมท่านลาหิริมหาสยะอีกครั้งคราวนี้เธอมากราบขอให้ช่วยเรื่องลูกท่านอาจารย์เจ้าขาได้โปรดประทานพรให้กับอีชัน้นขอให้ลูกคนที่9้าที่จะเกิดมารอดด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกแปดคนก่อนหน้านี้ของอีชัน้นคลอดออกมายังไม่ทันไรก็พากันตายจากไปจนหมด ท่านครูยิ้มด้วยความเห็นใจแล้วก็บอกว่าลูกของเจ้าคนนี้จะอยู่รอดปลอดภัยดีจงทำตามคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัดลูกของเจ้าคนนี้จะเป็นลูกสาวแกจะมาเกิดตอนกลางคืนเจ้าต้องคอยดู อย่าให้ไฟในตะเกียงดับจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอย่าเพลอหลับจนเป็นเหตุให้ไฟในตะเกียงดับลงเป็นอันขาดลูกของอภพยาเป็นลูกสาวจริงๆค่ะแล้วก็เกิดตอนกลางคืนตามที่ท่านคุรุฑทำนายเอาไว้ อภรยาสั่งพยาบาลให้คอยเติมน้ำมันในตะเกียงเอาไว้ให้ไฟลุกตลอดเวลา mm hmm. เธอและนางพยาบาลต่างไม่ยอมหลับยอมนอนเฝ mm hmm. ้าอยู่จนใกล้รุง่งในที่สุดทนไม่ไหวพร้อยหลับไปในที่สุดนะคะตอนนั้นน้ำมันในตะเกียงใกล้หมดเปลวไฟก็กระพริบปริปรีเต็มที mm hmm. จู่จู กรอนประตูห้องนอนก็หลุดออกมาเองบานประตูกระแทกเปิดออกเสียงดังปังใหญ่สตรทีทั้งสองสะดุ้งตื่นแล้วก็ต้องประหลาดใจที่เห็นท่านลาฮิริมหัศยะยืนอยู่ตรงหน้าท่านยืนอยู่เพราะอะไรคือมาทำไมนะคะคุณถึงฟังเดาได้ไหมคะอ่านเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบช่วงหน้าคะ่ะ ยืน คุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องชีวิตโยคีเรื่องจริงค่ะจากชีวิตของท่านปรมหังษายโยคานันทะจากหนังสือที่ท่านเขียนเองจากประวัติชีวิตของท่านไ ล, ล่เรียงตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงตอนที่ท่านเป็นโยคีชื่อดังนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกกลับมาฟังกันต่อนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นอโยยาลูกศิษย์ของท่านลาฮิริมหัสยะได้ลูกสาวแต่ว่าตะเกียงกำลังจะดับปรากฏว่าท่านลาหิริมหัสยะเนี่ยชี้ไปที่ตะเกียงแล้วก็บอกว่าอาโยยาระวังแสงไฟในตะเกียงจะดับอยู่แล้วนางพยาบาลจึงรีบกระวีกระวาดเอาน้ามันมาเติม ทันทีที่แสงไฟลุกจ้าอีกครั้งท่านครุก็หายตัวไปประตูปิดสนิทเหมือนเดิมกรอนประตูก็เลื่อนกลับเข้าที่โดยไม่เห็นคนทำลูกคนที่ก้าวของอภพยาจึงมีชีวิตรอดปลอดภยัยและในปี1935เมื่อทันโยคานันทะเอ่ยปากถามถึงนะคะก็ได้ความว่า ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขดีก็คือสามารถจะรอดชีวิตมาได้นี่คือสองเรื่องที่ท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นกับลูกศิษย์สตรีของท่านคืออภยายังมีเรื่องมหัศจรรย์อีกหลายเรื่องนะคะเช่นเรื่องที่เกิดกับกาลีกูมารบรอยศิษย์คนหนึ่งของท่านลาฮิริมหัศยะ ที่ก็เคยเล่าเรื่องราวชีวิตที่เกี่ยวข้องกับท่านคุรุให้ท่านโยคานันทะฟังหลายเรื่อง mm hmm. ฉันมักไปกราบคารวะท่านที่พารณสีแล้วก็พักอยู่ที่อาสมของท่านครั้งละหลายสัปดาห์แล้วฉันก็เห็นโยคีหลายท่านพวกทันทีสวามีหนำะพวกท่านจะมาที่อาสมกันในตอนกลางคืนนั่งอยู่ที่แทบเท้าท่านคุรุ บางครั้งก็จะถกกันเรื่องปรัชญาและการทำสมาธิพอฟ้าสางพวกท่านก็จากไปตลอดเวลาที่ฉันพักอยู่ที่นั่นฉันไม่เคยเห็นท่านลาหิริมหัศยะเอนกายลงนอนเลยแม้สักครั้งช่วงแรกๆที่แวะเวียนไปหาท่านฉันมีปัญหากับเจ้านายขนาดหนักเจ้านายของฉันเป็นพวกวัตถุนิยม เขาเคยบอกกับฉันว่าเขาไม่ชอบลูกน้องที่คลั่งไคล้งมงายในศาสนาและถ้าเขามีโอกาสได้เจอกับคุรุของฉันแล้วก็เขาจะฉีกหน้าคุรุแบบที่ลืมไม่ลงเลยทีเดียวฉันไม่ต้องการลูกน้องที่คลั่งไคล้งม ง, งายในศาสนาถ้าฉันได้เจอเจ้าคุรุกรรมลอของคุณแล้วก็ฉันจะฉีกหน้าเขา เอาให้หรือไม่ลงกันเลยทีเดียวแต่คำคู่ของเขาก็ยับยั้งฉันไม่ได้ฉันยังคงไปกราบท่านครุในตอนค่ำแทบจะทุกวันเหมือนเคยคืนวันหนึ่งเจ้านายตามฉันมาและก็พรวดพราดเข้าไปในห้องรับแขกอย่างไร้มารยาทไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาไปทำอะไรเขาตั้งใจจะพูดจาฉีกหน้าท่านครุให้ได้เหมือนกับที่เคยลั่นวาจาเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่เขาจะนั่งลง ท่านครุก็ถามสานุสิทธิ์ที่นั่งอยู่ด้วยกันราว12บสองคนว่าพวกเจ้าอยากดูหนังไหมพอพวกเราพยักหน้ารับท่านก็สั่งให้ดับไฟในห้องนั่งซ้อนหลังกันให้เป็นวงกลมแล้วเอามือของเจ้าปิดตาคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเอาไว้ ฉันไม่แปลกใจเลยที่เห็นเจ้านายทำตามคำสั่งของท่านครุถึงจะเป็นการทำอย่างไม่เต็มใจก็เถอะผ่านไปไม่กี่นาทีท่านครุก็ถามขึ้นว่าพวกเรามองเห็นอะไรกันบ้างอาจารย์ขอรับกระผมเห็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยคนหนึ่งเธอห่มสารีคลิปชายสีแดงแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆ ก, กับต้นหูช้างขอรับสิทธิ์คนอื่น ก็ตอบเหมือนกันว่าเห็นอย่างเงี้ยเห็นเห็นอย่างเดียวกันท่านครูจึงหันไปหาเจ้านายของฉันแล้วก็ถามว่าเจ้าจําผู้หญิงคนนั้นได้ไหมล่ะออจําได้ขอรับเจ้านายของฉันตอบรับท่าทางกระอักกระอ่วนยังเห็นได้ชัดกระผมทุ่มเงินให้กับเจ้าหล่อนอย่างขาดสติทั้งทั้งที่มีภรรยาผู้แสนดีอยู่แล้ว กระผมละอายใจเหลือเกินที่มาที่นี่ด้วยเจตนาอันเลวร้ายท่านจะอภัยให้กระผมและกรุณารับกระผมเป็นสิทธ์ได้ไหมขอรับก็คือพูดง่ายๆผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเมียน้อยหรือเป็นกิ๊กนั่นเอง <c oughs> ถ้าเจ้าดำรงตนให้อยู่ในศีลในธรรมได้ตลอด6เดือนนี้เราก็จะรับเจ้าเป็นสิทธ์แต่ถ้าทำไม่ได้เราก็คงจะไม่ต้องรับเจ้าไว้เป็นสิทธ์หรอก ปรากฏว่าเจ้านายของคุณกุมานเนี่ยข่มใจได้แค่สามเดือนก็พ่ายแพ้ต่อตันหาราคาหวนกลับไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งสองเดือนต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงท่านลาฮิรีมหัสยะ มีสหายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าท่านสวามีไตรลังคะผู้คนก็ลือกันบอกว่าท่านสวามีผู้นี้เนี่ยมีอายุมากกว่า300ร้อยปีแนนโยคีทั้งสองมักจะนั่งสมาธิด้วยกันชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่านไตรลังค์เนี่ยดังมากจนมีชาวฮินดูน้อยรายที่จะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของท่านว่าไม่ใช่เรื่องจริง คือชื่อดังมากแล้วใครๆก็เชื่อว่าท่านท่านเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านเห็นว่าท่านสวามีตรลังค์เนี่ยดื่มยาพิษร้ายแรงแต่กลับไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด แล้วก็มีคนอีกนับพันพันคนบางคนยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือตอนที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ประมาณสักห้าสิบปีที่ผ่านมาคือคนเหล่านี้ในยืนยันว่าเห็นท่านสวามีไตรลังคาลอยอยู่เหนือท้องน้ำของแม่น้ำคงคาท่านจะนั่งอยู่บนผิวน้ำ หรือไม่ก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำโดยไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเป็นเวลานา น, านหลายวันที่ท่ามณีกันนิกาคาตามีจะมีภาพที่คุ้นตากันภาพหนึ่งคือภาพที่ท่านสวามีนอนนิ่งอยู่บนแผ่นหินร้อน่าภายใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงท่านไตรลังคะทรมานกายในลักษณะเช่นนี้ เพราะต้องการจะให้ผู้คนได้คิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาออกซิเจนและไม่จําเป็นต้องอยู่กับเงื่อนไขหรือมาตรการใดๆไม่ว่าท่านสวามีผู้ยิ่งใหญ่จะอยู่เหนือน้ำหรือใต้น้ำไม่ว่ากายสังขารของท่านจะท้าทายแสงแดดอันแผดกล้าอยู่หรือไม่ท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านอยู่ได้ด้วยจิตสานึกอันเป็นทิพย์ความตายไม่อาจจะแตะต้องท่านได้ โยคยีท่านนี้มีความมหัศจรรย์หลายอย่างนะคะท่านมีร่างกายที่ใหญ่โตมาหัวราณค่ะหนักมากกว่า300ป่อปอนด์เมื่ออายุมากขึ้น1ปีน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้น1ป่ปอนด์และเมื่อพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าท่านแทบจะไม่ฉันอาหารเลยอันนี้ก็ยิ่งดูลี้ลับไปใหญ่ ซึ่งท่านโยคานันทาก็บอกว่าครูบาอาจารย์อย่างท่านเนี่ยสามารถละเลยหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพทั่วๆไปได้ทุกเมือ่อคือเหมือนกับสามารถที่จะควบคุมอะไรบางอย่างได้ด้วยเหตุผลพิเศษบางประการและโดยมากก็จะเป็นเหตุผลที่ลี้ลับซับซ้อนและมีเพียงตัวท่านเองเท่า น, นั้นที่รู้ โยคี oki, ผู้ยิ่งใหญ่นะคะสามารถกระทำสิ่งใดก็ได้กับร่างกายเพราะรู้ว่าเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ของพลังงานที่ควบแน่นหรือว่าแข็งตัวแม้ว่าเวลานี้นักวิยทยาศาสตร์กายภาพจะเข้าใจแล้วว่าสสารคือพลังงานที่เกาะรวมกันเป็นกลุ่มแต่ครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งก็ได้ก้าวผ่านทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ ในการควบคุมสะสารด้วยความสําเร็จอันเป็นที่แน่นอนแล้วไม่ว่าจะในเวลาใดท่านไตรลังคะไม่เคยสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวทําให้ตํารวจในพาราสีเนี่ยขัดหูขัดตาจนมองว่าท่านเป็นเด็กเจ้าปัญหาแต่ก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรท่านไตรลังคะรักความเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้ตระหนักถึงความเปรยเปล่า แห่งร่างกายของตนนะคะคือไม่สนใจตำรวจนั้นเคยมาจับท่านไปขังคุกแต่ปรากฏว่าเมื่อจับท่านเข้าไปขังแล้วเนี่ยท่านไตรลังคะก็ไปปรากฏร่างบนหลังคาเรือนจทาทั้งๆที่ห้องซึ่งคุมขังท่านเนี่ยยังใส่กุญแจอยู่อย่างแน่นหนา ตำรวจก็งงมึนต๊บไปเลยว่าท่านออกมาได้ยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พากันใจฟอนะคะแต่ก็ยังพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มีการจัดยามมาเฝ้าอยู่หน้าห้องขังของท่านเลยแต่ว่าไม่ทันไรท่านสามีก็ขึ้นไปเดินเล่นอยู่บนหลังคาเรือนจำให้คนเห็นกันอีกครั้งหนึ่ง อยู่ขี่ท่านนี้มักนิ่งเงียบท่านมีใบหน้ากลมเป้นมีพุงอ้วนกลมเหมือนถังใบมื่ือมาแต่ท่านจะฉันอาหารนานๆครั้งเท่านั้นนะคะคือไม่ค่อยกินนานๆจะฉันอาหารสักทีหลังจากอดอาหารติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ท่านก็จะฉันนมเปรี้ยวที่สิทธิ์นำมาถวายสักหม้อเนี่ยครั้งหนึ่งมีคนชอบลองดีค่ะหมายใจจะมาเปิดโปงว่าท่านเนี่ยเป็นแค่นักต้มตุน๋นก็ผสมปูนขาวที่ใช้ทาผนังห้องมาถังใหญ่แล้วก็นําไปวางไว้ตรงหน้าท่านสวามีแล้วก็แกล้งทําเป็นเคารพนบนอบบอกว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมนํานมเปรี้ยวมาถวายท่าน กรุณาฉันนมที่กระผมนำมาถวายด้วยเถิดขอรับท่านไตรลังคะยกถังปูนขาวที่มีริษกัดกร่อนอันรุนแรงนั้นดื่มลงไปจนหมดอย่างไม่ลังเลไม่กี่นาทีให้หลังคะ่ะคนที่เอามาถวายก็ล้มลงร้องครวญครางอยู่กับพื้นด้วยความเจ็บปวดทรมานเจียนตาย ช่วยด้วยขอรับท่านสวามีช่วยกระผมด้วยปวดแสบปวดปร้อนเหลือเกินแล้วกระผมมันชั่วคิดอยากจะมาลองดีกับท่านโปรโดอภัยให้กับกระผมด้วยท่านโยคีจึงกล่าวว่าเจ้าคนที่ชอบกลั่นแกล้งคนอื่นเจ้าไม่รู้หรอกว่าทัานทีที่เจ้าเอายาพิษมาให้กับเราชีวิตเราก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของเจ้า หากม่ใช่เพราะเรารู้ดีว่าพระเป็นเจ้าทรงสถิตยอยู่ในท้องของเราเช่นเดียวกับที่ทรงสถิตยอยู่ในทุกอนูของสรรพสิ่งปูนขาวของเจ้าก็คงเอาชีวิตของเราไปได้แล้วตอนนี้เจ้ารู้ความหมายของคําว่ากรรมตามสนองแล้วสินะอย่าได้ไปคิดกลั่นแกล้งใครเข้าๆอีกล่ะผู้ชายคนนั้น ก็หลบออกไปอย่างเงียบๆด้วยความละอายความเจ็บปวดที่ย้อนกลับไปหาคนทรรมไม่ได้เกิดจากเจตนาของท่านไตรลังคะแต่เป็นการทำงานของกฎแห่งกรรมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกฎแห่งกรรมที่คอยดูแลให้ลูกตุ้มของสรรพสิ่งที่แกว่งไปไกลสุดแล้วก็ต้องแกว่งกลับมากฎแห่งเบื้องบนนี้จะทางานอย่างฉับพลันทันที กับบุคคลผู้ตระหนักรู้ในพระเป็นเจ้าแล้วอย่างท่านไตรลังค์รับเพราะว่าพวกท่านได้กำจัดกระแสะแห่งอัตตาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปจนหมดสิ้นแล้ว ในขณะที่ท่านโยคานันทาเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะสิทธิ์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และเป็นที่รู้จักกันเพียงคนเดียวของท่านไตรลังคะเป็นผู้หญิงชื่อว่าสังการีมาอีชีวะนางเป็นลูกสาวของสิทธิ์คนหนึ่งของท่านแล้วก็ได้รับการสอนสั่งจากท่านไตรลังคะมาตั้งแต่เด็กสังการีมาอีอาศัยอยู่ตามหมู่ถา้า ในเทือกเขาฮิมาลัยที่ห่างไกลผู้คนค่ะในตอนที่ท่านโยคานันทะเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะสังการีมาอีชีวะอายุกว่าร้อยปีแต่กลับไม่มีวิแววของความชราปรากฏให้เห็นผมยังคงดกดำฟันขาวสะอาดเรียวแรงก็น่าอัศจรรย์ ท่านจะออกมาจากสถานที่ปรีกวิเวกทุกๆ 3-4 ถึงปีเพื่อเข้าร่วมงานเมลาซึ่งเป็นงานประเพณีทางศาสนาโยคิน ok ีท่านนี้มักจะมากราบคารวะท่านลาฮิริมหัสยาอยู่บ่อยครั้งท่านเล่า ว, ว่าวันหนึ่งในขณะที่ท่านนั่งอยู่กับท่านลาฮิริมหัสยาอยู่ที่บาแรกปอไม่ไกลจาก ก, าละกะัลกาตานะักท่านมหาครุบาบาจี ได้เดินเข้ามาในห้องอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงแล้วก็ได้ลงนั่งสนทนากับทั้งสองอาพอรของท่านคุรุผู้อยู่เหนือความตายเปียกน้ำชุม่มราวกับว่าท่านเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำกระนั้นท่านเมตตาให้คำชี้แนะเรื่องการปฏิบัติธรรมบางข้อกับฉัน มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไตรลังคะได้ละจากความเงียบที่ท่านถือปฏิบัติอยู่เป็นปกติวิสัยเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านลาฮิริมหสัสยะต่อหน้าฝูงชนแต่สิทธิคนหนึ่งของท่านกลับทัดทานเอาไว้ท่านอาจารย์ขอรับท่านเป็นสวามีและผู้สละแล้วซึ่งทางโลกแล้วเหตุใดใหญ่ต้องไปให้เกียรติกับผู้ที่เป็นแค่ครื้หัคนหนึ่งถึงขนาดนั้นด้วยท่านไตรลังคะตอบว่า ลูกเอ๋ยท่านลายหิริมหัศยะนั้นเปรียบได้กับลูกแมวแห่งองค์พระเป็นเจ้าพระโลกกาตาทรงจับวางไว้ที่ใดก็ยอมนิ่งอยู่ที่นั่นแม่ในระหว่างทาหน้าที่ของผู้ครองเรือนท่านกอดระนักรู้อย่างทองแท้ในพระเป็นเจ้าที่เราเฝ้าติดตามถามหาโดยยอมสละทิ้งทุกสิ่งอย่างไม่เว้นกระทั่งภา พ, พันกาย เรื่องราวของท่านไตรลังคะแล้วก็ลูกศิษย์อันนี้ก็ทำให้เห็นถึง อ, อนุภาพหรือว่าผลของการปฏิบัติกิริยาโยคะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโยคีนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของอินเดียโบราณ ในการเข้าถึงความลับของธรรมชาติความลับของร่างกายเมื่อเข้าถึงแล้วก็ได้ใช้ความรู้นั้นในการควบคุมร่างกายและจิตใจให้อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย ฟังดูอาจจะมีความลี้ลับมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามองว่าเป็นธรรมะเป็นการค้นพบธรรมะของทางฮินดูโบราณนะคะอย่างที่บอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติบรรดายโยคีเหล่านี้ก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงสภาวะธรรมอันสูงส่ง แต่ว่าก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้วก็เคี้ยวกรมตัวเองอย่างหนักทีเดียวค่ะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องชีวิตโยคีซึ่ง เป็นเรื่องจริงนะคะของท่านปรมาหังษายโยคานันธาซึ่งเป็นโยคีชื่อดังแล้วก็ท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้จากประวัติชีวิตของท่านเองเป็นภาษาอังกฤษมีแปลเป็นภาษาหลายภาษาแล้วก็พิมพ์หลายครั้งมากค่ะขายดิบขายดีเป็นที่นิยมชื่นชอบนะคะในหมู่ของนักสแสวงหาทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษเลยทีเดียวค่ะ ทองสมุดหลังใหม่ได้นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังที่นี่วิทยุไทย PBS w w w t h a i PBS radio com บางเรื่องก็อาจจะเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ดูไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่าถ้าเคยได้อ่านประวัติชีวิตของครูบาอาจารย์สายพระป่า เวลาที่ท่านไปทุดดงลูกศิษย์ลูกหาที่เล่าให้ฟังก็จะมีเรื่องในทํานองนี้อยู่เป็นปกตินะคะจะว่าไปสิ่งที่เราเรียกว่ามันเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องลี้ลับก็เป็นเพียงเรื่องที่เราไม่สามารถหาเหตุผลอธิบายได้เท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่สามารถจะอยู่ในสภาวะเดียวกับท่านได้เราไม่เข้าใจพอคนยุคปัจจุบันไม่เข้าใจก็บอกอันนี้เป็นเรื่องลี้ลับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของการปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นก็จะพบเห็นหรือได้สภาวะนั้นๆเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปถ้าเกิดว่าใครไปอินเดียนะคะไปเห็นบรรดาสวาทีหรือว่านักบวชทั้งหลายแต่งตัวแปลกๆ ก, ก็อาจจะทำให้เรามองท่านสวาทีหรือว่านักบวชเหล่านั้น แตกต่างไปจากที่เราเคยรับรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นนักบวชผู้มุ่งสแสวงหาความหลุดพ้นสแสวงหาการเข้าถึงซึ่งพระเป็นเจ้าถ้าเป็นของเราก็คือเพื่อที่จะให้พบเห็นธรรมะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะคะ เช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านลาฮิริมหัสยะเคยชุบชีวิตเพื่อนคนหนึ่งของท่านศียุกเตสวนเนี่ยค่ะให้ฟื้นคืนจากความตาย mm hmm. เพื่อนคนนั้นของท่านชื่อว่ารามรามกับท่านเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดรามเป็นคนขี้อายและก็ไม่ชอบสูงสิงกับใครจึงเลือกไปกราบคารวะท่านคุรุลาหิริมหัสยะเฉพาะในช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนถึงรุ่งสางเพราะว่าคนไม่เยอะเหมือนตอนกลางวานันท่านศรียุคเตสวนเป็นเพื่อนที่รามสนิทด้วยมากที่สุด รามจึงเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมที่ลึกซึ้งมากๆให้ท่านฟังหลายเรื่องแต่แล้วรามก็ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบอันหนักหน่วงโดยไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรคือบททดสอบอันหนักหน่วงโดยไม่ทันได้ตั้งตัวติดตามต่อตอนหน้านะคะกับเรื่องของรามและท่านคุรุลาฮิริ มหาสยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ